สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบห้าเรื่องลูกเอ๋ยพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าบุตรชายที่ฉลาดฟังคาเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักเยอะเย้ยไม่ฟังคําขนาบคนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดลิมผีปากกว้างก็มาถึงความพินาศวิญญาณของคนเกลียดคร้านย่างอยากอ ย, กอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพีคนชอบทมเกลียดความเท็จแต่คนชั่วร้ายประพฤตินำหน้าอับอายและหน้าอดสูความชอบธรรมระวัยระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่บาปคว่ำคนชั่วร้ายคนที่คิดว่าตนมั่งคัง่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีแต่คนที่ว่าตนเป็นคนจน แต่มีทรัพย์สิงขารเป็นอันมากก็มีอยู่ค่าไถยชีวิตของคนคือทรัพย์สิงขารของเขาแต่คนยากจนไม่มีอะไรเป็นค่าไถยพี่น้องครับสุภาสิทธิ์วันนี้ผมใช้คาว่าลูกเอ๋ยเพราะเป็นคำสอนของกษัตริย์โซโลมอนที่มีต่อโอรสทั้งหลายของพระองค์แท้จริงแล้วกษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ก็คือดาวิดและนางบาดเชบา ดาวิดนั้นเป็นกษัตริย์ชูร์โมนเองนั้นก็เป็นราชโอรสเป็นผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ของดาวิดคนที่จะสืบทอดบัลลังก์และรับสิ่งต่างๆที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ได้นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือว่าเขาจะต้องเชื่อฟังเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่สอนว่าลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยจง ตอนหนักให้รู้ให้ดีว่านี่คือความสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนเราและพี่น้องครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนั้นพูดถึงเรื่องของการพูดของลูกข้อที่สี่ถึงข้อที่แปดเขพูดถึงเรื่องของการที่จะให้ลูกเลือกระหว่างความแตกต่างของคนเกียรติค้านกับคนขยันคนชั่วร้ายคนบาปกับคนชอบธรรมอยากจะเป็นคนร่ํารวยหรือเป็นคนยากจน อยากจะเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดอยากจะเป็นคนชอบทมหรือคนอธรรมคนขยันหรือคนขี้เกียจพี่น้องครับลูกหลานของเราเด็กที่จะประสบความสำเร็จเห็นได้ชัด น, นะครับว่าเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นเขาจะต้องยอมเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่ถ้าคมพีบอกว่าคนที่ปฏิเสธไม่ฟัง คนคนนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากคําเตือนสอนและการเตือนสติใดๆเลยพี่น้องครับชุภาสิทธิ์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้อีกสองข้อนั้นพูดถึงเรื่องของการพูดคนดีย่อมกินของดีจากปากของตนแต่คนทรยศก็จะได้ความทารุณคนที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาไว แต่คนที่เปิดริมพิปากกว้างก็มาถึงความพินาศภาษาอังกฤษนั่นใช้คำว่า careless talker destroy himself ก็คือว่าคนที่ไม่ระวังคำพูดของตัวเองก็จะทำลายตัวเองผลแห่งปากของคนนั่นก็คือการพูดของเขาครับการพูดในสิ่งที่ดีก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่น ด้วยถ้อยคำของเราแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีคำพูดเหล่านั้นจะกลับมาทำร้ายเราครับคนอื่นจะได้รับพรเพราะเราและเราจะรับการอวยพรตอบแทนครับคำพูดที่ดีของเรานั้นสามารถช่วยคนอื่นให้รอดได้ก็คือการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับด้วยเหตุนี้ เราจรึงควรที่จะระมัดระวังในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดจะช่วยเราหลุดพ้นจากการติดบ่วงแล้วของความยากลำบากเพราะคำพูดของตัวเองคำพูดโดยไม่ยั้งคิดก็นำความลำบากมาให้ครับคนที่พูดเองเออเองมโนเอาเองอาจจะลังปากไปให้สัญญาที่ตัวเองรักษาไม่ได้หรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลความลับ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับคนอื่นก็จะไม่ไว้วางใจเขาให้เขารู้เรื่องราวต่างๆและคนอื่นก็อาจจะไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้เขาเขาต้องทนทุกข์ไม่มีเพื่อนทางด้านการเงินก็ยังไม่มีคใครช่วยเหลือเขาได้ด้วยพี่น้องครับคนที่ไม่ระวังปากของตนจะทำร้ายตัวเอง ข้อต่อไปครับวิญญาณของคนเกลียดค้านยังอยากอยู่วิญญาณของคนขยันจะอ้วนผีคือคนเกลียดค้านนี่นะครับเขาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คําว่าวิญญาณนั้นหมายถึงบุคคลทั้งองค์รวมบุคคลองค์รวมแบบโฮลิสติกนะครับ mm hmm. ก็พอพูดถึงว่าคนที่เกลียดค้านนะครับ mm hmm. ก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไ ฟ, ฟ่ฝันอยากจะร่ํารวยมั่งทั่งอยากจะรวยทางรัดนะครับ แต่ความอยากของเขานั้นก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้อะไรครับสาหรับคนเกียดตรานกลับจะต้องเสียไปด้วยซ้าครับถามว่าทำไมเสียไปครับเพราะเขาไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะคนเกียรติ้านนี่ครับสิ่งหนึ่งที่คนเกียดครานมักจะเสียไปนั่นคือโอกาสที่จะร่ำรวยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะเงือออกโอกาสที่จะได้ทา นี่ครับนี่คือความเกียรติคานครับข้าพีบอกต่อไปว่าคนขยันขันแข็งนั้นจะอ้วนคําว่าอ้วนพีนั้นหมายความถึงความสมบูรณ์ความแข็งแรงความมั่งคัง่งนี่แหละครับคือวิถีทางที่เราจะร่ํารวยเราจะเข้มแข็งเราจะมั่งคัง่งก็คือความขยันขันแข็งความภาคเพียวรวิยะอุตสาหะครับ ต่อไปครับคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นคุณลักษณะของเขาก็คือว่าเขาต้องเป็นคนชอบธรรมและเขาตั้งดำรงตนอยู่ในความสัต์จริงที่นครับคนชอบธรรมนั้นเกลียดความเท็จชอบความจริงความสัต์จริงนั้นหมายถึงความเที่ยงตรงพูดความจริงชื่อสักด์ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้น เขาตั้งตัวของเขาตั้งชีวิตของเขาอยู่ในศัจธรรมของพระเจ้าและพระจนะของพระเจ้านำชีวิตของเขาต่อนี่แหละครับคือคุณลักษณะของคนชอบธรรมความยำเกรงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องเกลียดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดและรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักเพราะคนชอบธรรมนั้นจะต้อง รับการดูแลจากพระเจ้าครับความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมเพียงครับพระเจ้าจะทรงดูแลคนชอบธรรมคนที่เที่ยงธรรมแต่จะคว่ําคนชั่วร้ายลงครับบาปของเขาที่ว่าทำเนี่ยนะครับจะนํามาซึ่งการพิพากษาการลงโทษความยำเกรงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเกลียดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรัก แต่การพูดมุสาทำให้คนตกต่ำและนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและความอายุติธรรมนำความเสียหายความอับอายความอับยายมาถึงชีวิตของตัวเองและคนของคนอื่นการดำเ น, นินชีวิตอย่างคนชอบทำและแวดระวังอยู่ในความบริสุทธินั้นจะได้การปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าครับพี่นังครับอีกข้อหนึ่งครับการเสแสร้งทาตัวนะครับในข้อเจ็ดบอกว่าคนที่คิดว่า ตนมั่งคั่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีคนที่คิดว่าตนเป็นคนจนแต่มีทรัพย์มากก็มีเพราะฉะนั้นการเสแสร้งทาตัวให้เป็นอีกคนหนึ่งนั้นคือการหลอกลวงครับแต่การดาเนินชีวิตโดยที่เอาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างปรับใช้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองกับเป็นสิ่งที่ดีบางคนนั้นมีความมั่งคั่งในวัตถุสิ่งของแต่เป็นคนยากจนฝ่ายวิญ ญ, ญาณครับ บางคนอาจจะเป็นคนจนด้านวัตถุแต่ล่ำรวยมั่นมั่งข้่งฝ่ายวิญญาณครับพี่ ค, ครับผมอยากจะบอกว่าสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำครับคนล่ำรวยอาจจะมีเงินซื้อความสรุกสบายได้ซื้อตัวเองออกจากความลาบากได้แต่คนจนไม่ต้องกลัวการถูกจับเรียกค่าไถไม่ต้องกลัวขโมยเข้าบ้านการมีคนจนก็มีข้อได้เปรียบอยู่บ้างยูคนล่ำรวยอาจจะเสียเงินของเขา ที่จะซื้อตัวเขาเองออกจากปัญหาและคนยากจนอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากคนอื่นแม้กระทั่งโจรและคนเรียกค่าไถ่ไเขาก็เป็นอิอสระจากสิ่งรบกวนแนวนี้ครับอีกมุมมองหนึ่งครับในข้อที่แปดนี้บอกว่าคนร่ำรวยนั้นสามารถใช้ทรัพย์สมบัติของเขาช่วยกู้เขาได้แต่คนยากจนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้องใช้เงินแก้ได้พี่น้องครับ สรุปวันนี้ก็คือว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีข้อดีข้อเสียจงฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าจงฟังคาสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกแล้วว่าลูกเอ๋ยครับทุกสิ่งในโลกนี้เราจะเลือกสิ่งใดดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อฟังใครเราจะเชื่อฟังคนอธรรมเราก็เสียหายครับแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเลือกจะมีชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะ ดีขึ้นทางเดียวมิใช่ต่ำลงอเมน